5้าดสองสองขอขมาให้พรขอพรวงเล็บเปิดสิามเมษายน2551น้าห้าเอ็ดในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีหนึ่งวงเล็บปิดเมื่อวานนี้มโยมมาขอส่งน้าหลวงพ่อเยอะนะโยมส่งน้ำกันแปลกแปลกบางคนก็มาขอขมาบางคนมาให้พรหลวงพ่อบางคนก็มาขอพรหลวงพ่อความจริงส่งน้ำรดน้ำมันมีทั้งสามแบบขอขมาเอาไว้รดน้ำศพให้พรเอาไว้รดตอนแต่งงาน เอาไว้ให้พรคู่บ่าวสาวรดน้ําสงกรานต์เอาไว้ขอพอรผู้ใหญ่ไม่ใช่มาให้พรผู้ใหญ่เมื่อวานโยมมารดน้ําก็น่าเอ็นดูดีให้พรเราบ้างขอขมาบ้างปีไหนๆนะงานของเราก็คือภาวนาตราบใดที่ยังไม่หมดความทุกข์ก็ยังต้องภาวนาภาวนาไปจนหมดความทุกข์จุดหมายปลายทางของชาวพุทธคือการพ้นทุกข์ของคนอื่นเขาอาจจะหาความสุขนะอยู่กับพระเจ้าอยู่กับเทวดาอยู่กับพรมอะไรอย่างนี้ เพราะหวังว่าจะมีความสุขพระพุทธเจ้าสอนให้เราหาทางพ้นทุกข์เพราะว่าท่านเคยเวียนน้อยตายเกิดมามากมายก็พบว่าไม่ว่าจะอยู่ในภพในภูมิใดๆก็มีแต่ความทุกข์ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมถึงวันหนึ่งก็ตายเหมือนกันไม่มีอะไรในสังสารวัฏที่เป็นอมตะเพราะว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งที่เที่ยงนะคือตายตายแน่ๆนี่นวอวยพรวันสงกรานนะนี่ฉะนั้นชาวพุทธเรานะเราร่อนเร่เดินทางยาวนานในสังสารวัฏ เราไม่เชื่อว่าเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่เป็นไรลองสังเกตจิตใจของเราลงในปัจจุบันจิตใจของเราก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกๆขณะเดี๋ยวเราก็เป็นเปรตถ้ามีความโลภเดี๋ยวเราก็เป็นอสุรกายเพราะว่ามีมิจฉาทิฐิเดี๋ยวก็เป็นสัตว์นรกเพราะว่ามีโทสะเดี๋ยวก็เป็นเทวดานะอิ่มเอิบในผลบุญผลกุศลของเราเดี๋ยวก็เป็นพรหมเพราะจิตใจของเรานิ่งสงบเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเพราะมีศีลมีธรรม เมื่อจิตของเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจิตจะเข้าไปอยู่ในภพอะไรจิตก็มีความทุกข์ทุกแห่งเลยอันนี้สําหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องข้ามภพข้ามชาติไม่จําเป็นต้องเชื่อเพราะยังไม่เห็นเอาไว้ภาวนาแล้วเห็นจึงค่อยเชื่อก็ได้ไม่สายเกินไปแต่ยังน้อยต้องเห็นภพชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นขณะขณะอันนี้สําคัญที่สุดเรื่องข้ามภพข้ามชาติก็สําคัญเหมือนกันแต่ว่าไม่มีผลอะไรกับการปฏิบัติการปฏิบัติ อะไรเกิดขึ้นในกายในใจในขณะปัจจุบันก็คอยรู้เรื่อยๆไปเราจะเห็นพบหมุนเวียนอยู่ยิบยิบตลอดเวลาเป็นพบน้อยๆเล็กๆสั้นๆไม่นานหรอกทุกพบมีแต่เกิดแล้วก็ดับทุกพบมีแต่ความทุกข์ทั้งสิน้นเมื่อไร่เกิดพบขึ้นมาในใจจิตใจก็มีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนขึ้นมายึดถือในพบใดพบหนึ่งยึดถือในสภาวะอันใดอันหนึ่งทันทีที่ยึดถือก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาใจจะทุกทันทีนะ อันนี้เป็นธรรมะที่ไม่มีใครเถียงได้แต่ว่าเรื่องข้ามภพข้ามชาติเวียนว่ายตายเกิดเถียงกันได้แต่ภพชาติในขณะปัจจุบันเป็นเรื่องเถียงกันไม่ได้ลองดูสิถ้าภาวนาก็จะเห็นกันต่อหน้าต่อตา น, นี่แหละเพราะทุกเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะมีแต่ทุกเกิดขึ้นทุก์ตั้งอยู่ทุกดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเลยภาวนาจนวันหนึ่งใจพ้นจากความทุกข์ใจมันพ้นจากความทุกข์เพราะมันหมดความอยาก พอหมดความอยากมันก็หมดความปรุงแต่งหมดความดิ้นรนหมดความดิ้นรนก็คือไม่สร้างภพนั่นเองหมดความดิ้นรนจิตก็หลุดจากภพนั่นแหละหมดภพจิตก็เข้าสู่สันติสุขที่แท้จริงดํารงชีวิตอยู่มีแต่ความสุขเราไม่คํานึงแล้วว่าตายแล้วจะไปไหนเพราะว่ามันเต็มบริบูรณ์อยู่ในขณะนี้แล้วพวกเราบางคนใจมันดิ้นไม่เลิกเพราะมันหิวไม่เลิกแต่ถ้าเราภาวนาถึงขีดสุดใจเราอิ่มใจเราเต็ ม, ใ จ, ตมใจเราก็ไม่ดิ้นนะ ถ้าใจเราไม่เต็มใจของเราไม่อิ่มใจเราก็ยังดิ้นรนใจเราดิ้นคราวใดก็เป็นทุกทุกทีการดิ้นรนของจิตและสังขารเรียกว่าภพนั่นเองเวลามีงานศพเคยได้ยินไหมเวลาพระขึ้นไปชักบางสุกุลบอกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดเตสังภูปะสโมสุโคปิดเครื่องหมายคาพูดสังขารทั้งหลายสงบเสียได้เป็นสุขสังขารสงบเสียได้เป็นสุขไม่ใช่คนที่นอนในโลงเป็นสุขนะ อันนั้นสุขหรือทุกข์ยังไม่แน่กรำชักพาไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ถ้าเมื่อไรสังขารในจิตของเรามันสงบระ ง, งับลงไปเราหมดความปรุงแต่งก็เหลือแต่รู้นะใจทํางานเป็นกิริยาล้วนๆไม่เข้าไปยึดถืออะไรไม่เข้าไปปรุงแต่งอะไรภาวะในจิตใจก็ไม่เกิดขึ้นมามีแต่ความสุขล้วนๆพวกเราชาวพุทธมีบุญวาสนาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเรารู้แจ้งว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่อจะพ้นทุกข์ต้องต่อสู้ต้องดิ้นรน เพื่อความพ้นทุกข์ในวันหนึ่งข้างหน้าคนไหนที่ต่อสู้มายาวนานต่อสู้ได้ดีวันเวลาแห่งความทุกข์ก็เหลือน้อยลงน้อยลงคนหลงโลกก็เพิ่มเวลาแห่งความทุกข์ไปเรื่อยๆเวียนว่ายไปเรื่อยๆ